สมาธิคืออะไรอะไรคือสมาธิมีสมาธิอยู่กี่แบบสมาธิก็คือความสงบตั้งมั่นของจิตใจจิตใจตามปกติจะไม่สงบจะไม่ตั้งมั่นจะคิดปรุงแต่ง ไปเรื่อยๆลอยไปกับอารมณ์ต่างๆอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วนี่คือลักษณะของจิตที่ไม่มีสมาธิจิตไหลไปตามความคิดปรุงแต่งเปรียบเหมือนเรือที่ไม่ได้ทอดสมอ หรือไม่ได้ผูกเชือกไว้กับท่าเรือเรือก็จะไหลไปตามกระแสน้ำไหลไปเรื่อยๆจนออกทะเลไปหรือถ้าอยู่ในลำธารที่มีน้ำตกก็จะไหลไปสู่น้ำตกเพราะไม่มีอะไรดึงเรือไว้ ถ้าเป็นเรือที่ทอดสมอหรือผูกไว้กับท่าเรือก็จะนิ่งจะไม่ลอยไปตามกระแสน้าจิตก็เหมือนกันจิตที่ไม่มีสมอเรือจิตก็จะลอยไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นแล้วก็ไปคิดเรื่องโน้น คิดเรื่องนอนแล้วก็กลับมาคิดเรื่องนี้โวนไปเวียนมาตั้งแต่ตื่นจนหลับจิตที่ไหลไปตามกระแสเป็นจิตที่ไม่มีความสุขเพราะกระแสนี้เป็นกระแสของกิเลสตัณหาเป็นส่วนใหญ่เป็นกระแสที่สร้างความหิวสร้างความ ต้องการขึ้นมาต้องทำให้จิตต้องไปเดินนรนไปหาสิ่งต่างๆ ต, ตามความคิดคิดอยากได้เงินก็ต้องไปหาเงินคิดอยากได้แฟนก็ต้องไปหาแฟนคิดอยากได้อะไรก็ต้องไปหาสิ่งที่อยากได้ แต่เวลาไปหาบางทีก็ไปหาโดยวิธีที่ไม่ชอบโดยวิธีทำบาปผิดศีลไปลักขโมยเงินทองไปช่อโกงอยากได้แฟนก็ไปประพฤติผิดประเวณีเราก็ทำให้มีผลเสียหายตามมา มีความรุ่มร้อนใจมีความทุกข์ใจตามมานี่คือผลของการปล่อยให้ใจไม่มีสมอเรือไม่มีอะไรผูกใจดึงใจไว้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งซึ่งมักจะคิดไปในทางความโลภความอยากต่างๆ ความโลบอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากได้ความสุขจากบุคคลนั้นบุคคลนี้จึงทำให้อยากได้ทรัพย์สินเงินทองทรัพย์ ส, บสมบัติเงินทองเพราะเงินทองนี้สามารถเดรมิตรสิ่งต่างๆที่อยากได้แล้วก็อยากได้อำนาจอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่ง เพราะการมีอำนานมียศมีตำแหน่งสามารถสั่งให้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความต้องการได้หรือไม่ฉะนั้นก็อยากจะได้ชื่อเสียงอยากได้รางวัลอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยอนับหน้าถือตา เวลามีคนสรรเสริญเยินยอก็ดีอกดีใจไม่ต้องการให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามว่ากล่าวตำหนิติเตียนข้าระหานินทานี่คือกระแสของความอยากมันจะพาให้เิ็ดใจอยู่ไม่เป็นสุข พอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ทำตามใจอยากก็จะกดเกดนำคาญใจเศ้าซ้อยหงอยเหงาซสมเศร้ามันจึงทำให้จิตใจต้องดิ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็มันก็เหมือนกับหนีเสือปะจะระเข้นั่นเองดิ้นจากความกดเกดนำคาญใจ ไปหาเรื่องราวต่างๆไปหาปัญหาต่างๆที่จะตามมาจากการที่ไปหาสิ่งต่างๆมาหาโดยสุดเจริญไม่ทำบาปก็มีปัญหาตามมาเพราะสิ่งที่ได้มามันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหายไปหรือเปลี่ยนไป ความสุขที่ได้จากมันก็หายไปเปลี่ยนไปเวลาที่ยังไม่หายยังไม่เปลี่ยนก็มีความห่วงใยมีความกังวลว่ามันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมันจะหายหรือไม่หายมันสร้างภาวะมากดดัน จ, จิตใจคือความทุกข์ความเครียดต่างๆ นี่หาด้วยวิธีสุดเจริญนะไม่ได้ทําผิดกฎหมายไม่ได้ทําบาป ก, ก็ยังมีความเครียดความทุกข์เกิดขึ้นแล้วถ้าไปหาโดวยวิธีผิดกฎหมายผิดศีลธรรมมันยิ่งเพิ่มความเครียดความทุกข์ขึ้นมาอีกหลายเท่าด้วยกันนี่คือปัญหาของการปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของความคิดต่างๆ พระพุทธเจ้าส่งค้นพบวิธีที่จะทำให้ใจนี้ไม่ต้องไหลไปตามกระแสต่างๆทำให้ใจไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาสิ่งต่างๆมาให้เครียดมาให้ทุกข์มาให้กังวลไม่ต้องไปหาโดยวิธีทำบาปทำกรรมทำผิดกฎหมายแล้วก็ต้องไปรับโทษอีก วิธีง่ายๆก็คือนี่แหละสมาธินี่เองคือทำใจให้นิ่งให้สงบใจก็เหมือนเรือจะนิ่งจะสงบต้องมีสมอเรือทอดสมอเรือหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องมีเชือกผูกเรือไว้กับท่าเรือหรือเสาหลักอะไรที่ไม่เคลื่อนไหว นี่คือสิ่งที่จะทำให้จิตใจนิ่งสงบแล้วก็ไม่หิวไม่อยากเพราะไม่ไหลไปตามกระแสของความหิวความอยากนั่นเองสิ่งที่เป็นสมอเรือหรือเชือกที่ผูกเรือไว้กับท่าเรือนี้เราเรียกว่าสติ หรือกรรมฐานการจะมีสติได้ก็ต้องมีกรรมฐานถ้าสติเป็นเชือกกรรมฐานก็เป็นเหมือนสมอหรือท่าเรือมีเชือกแต่ไม่มีที่ผูกเรือมันก็ยังไหลไปได้โยนเชือกลงไปในน้ำเฉยๆไม่มีสมอไว้อ ติดในดินเนี่มันก็ยังไหลไปตามกระแสน้ำได้นะใจต้องมีกรรมฐานเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดสติขึ้นมาให้เกิดสมาธิขึ้นมาในเบื้องต้นก่อนที่จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธินี่ต้องมีสติ มีกรรมฐานเอาสตินี่ไปผูกไว้กับกรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ชนิดที่ทำให้จิตนิ่งทำให้จิตไม่เกิดความโลภความอยากต่างๆขึ้นมาเช่นอนุสติอนุสตินี้ในกรรมฐานที่มีทั้งหมดสี่สิบชนิดนี่ แบ่งไว้ในกลุ่มของอนุสติอยู่สิบชนิดด้วยกันเช่นพุทธานุสติเอาจิตผูกไว้เอาสติผูกใจไว้อยู่กับพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธคุณหรือพระนามของพระพุทธเจ้าที่เราใช้กันทั่วไปสำหรับชาวพุทธ เรามักจะใช้กรรมฐานชนิดนี้กันเพราะเรามีศรัทธาความเคารพความนับถือในพระพุทธเจ้าเวลาเราเลิเกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเรารู้สึกเรามั่นใจเราสบายใจโดยเฉพาะเวลาไปอยู่ที่น่ากลัวนี่พอสวดมนต์เริ่มท่องพุทธโธธรรมโมสังโฆแล้วรู้สึกใจจะ รู้สึกปลอดภัยถ้าไม่มีพุโทโธธรรมโมสังโฆไม่มีการสวดอิติปิโสใจจะสัน่นใจจะกลัวกับผีกับสิ่งที่น่ากลัวต่างๆนี่คือตัวอย่างของการทำใจไม่ให้ไหลไปกับกระแสของความกลัวก็คือความคิด คิดว่าผีมาแล้วผีอยู่ตรงนั้นผีอยู่ตรงนี้เนี่ยพอเริ่มคิดอย่างนี้กลัวแล้วใจสัน่นแล้วก็ลองสวดมนต์ไปดูเลยสวดอาลังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพุทธังพักวันตังอภิปาอภิวาเดมิเน ส, สวาขาโตสุปฏิปันโนสวดไปรอบหนึ่งยังไม่หายกลัวก็สวดรอบที่สอง สวดไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวความกลัวมันจะหายไปแล้วก็จะนอนได้ทำไมเด็กๆเราก็ค่อยเป็นไม่รู้เสียงอะไรดังกุ๊กกักกุ๊กกักกลัวอะไรด้รัวครูสอนให้สวดมนต์อะไรก็สวดพอสวดไปแล้วเสียงก็หายไปใจก็ สบายหลับได้นอนหลับได้เราจึงมักจะใช้วัทธานสติหรือธรรมานสติสังขานสติเป็นกรรมฐานดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่เรากลัวกันเราไปคิดเองว่าเป็นผีแล้วเราก็ไปกลัวความคิดของเราที่เราไปคิดว่าผีมาแล้วตามจริงมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ ความจริงมันเป็นเสียงพระพุทธเจ้าบอกถ้าใช้ปัญญาก็ใหด้ดูความจริงสิมันเป็นอะไรมันเป็นเสียงกุกเก๊กกุ ก, กก๊ ก, กก็ให้รูว่ามเป็นเสียงแค่นั้นเลยไปว่ามันเป็นผีเป็นอะไรไปละเนี่ยถ้ามีปัญญาก็ไม่ต้องสวดมีปัญญาก็ไม่กลัวเสียงเสียงกุกเก๊กกุกเก๊กนี่มันมาทําอะไรเราได้เปล่ามันก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างมากก็มารบกวนไม่ให้เรานอน ถ้ามีปัญญาก็อาจจะคิดว่ามันก็เป็นหนูก็ได้ตุกแกก็ได้สัตว์อะไรที่มันวิ่งไปวิ่งมาบนบนเพดานก็กได้เนีมันก็ไม่กลัวนะอันนั้นขั้นขั้นระดับปัญญาแต่ถ้ายังคิดระดับปัญญาไม่เป็นก็หยุดคิดถึงผีโดยการสวดอิติปิโส ส่วนอรหังสํา ม, มาแปเรียกว่าเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติถ้าจเจริญทั้งสามองค์ถ้าจะเอาง่ายๆองค์เดียวก็พุทธโธไปก็ได้ท่องพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปแล้วใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาคนที่อยากได้ความสงบจังมากต้องไปหาที่น่ากลัวฝึกสมาธิ เพราะถ้าอยู่ในที่ไม่น่ากลัวมันไม่มีอะไรมากระตุ้นให้พุโทโธกันพุโทโธมักจะไม่ออกแต่พอมีอะไรน่ากลัวนี่พุโทโธไม่รู้มาจากไหนเนี่ยเวลาเครื่องบินจะตกนี่สวดมนต์กันลัน่นขึ้นบนเครื่อง เ, ยเ่ยพอกลับตันบอกว่าตอนนี้เครื่องบินไปเจอพายุ เริ่มโคงเคงโคงเคงเริ่มสวดมนต์กันแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรมากระตุ้นจิตถึงจะทําให้มีสติขึ้นมามีกรรมฐานวิ่งเข้าหากรรมฐานกันวิ่งเข้าหาที่พึ่งทางใจกรรมฐานนี่เป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่ผูกใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่ง ที่จะคิดโอ๊ยเครื่องวินจะตกแล้วจะตายแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ไปใหญ่พอดึงใจให้มาเกาะติดอยู่กับพุทโธหรือสวดมนต์เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติอาการหวาดกลัวก็หายไปใจก็นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแต่ยังอาจจะไม่นิ่งสงบเต็มร้อย คือสงบจากความหวาดกลัวแต่ยังอาจจะไม่เน่งเต็มที่นะแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้มนุษย์ใจสั่นด้วยความหวาดกลัวสมาธินี่มีหลายลชนิดด้วยกันความสงบนี่หรือ mm hmm. ที่เราเรียกว่าสมาธินี้ท่านแยกไว้สามชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่ง เรียกว่าคานิกะสมาธิชนิดที่สองท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิชนิดที่สามท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิเหล่านี้มีคุณลักษณะไม่เหมือนกันคณิกะสมาธิเป็นความสงบชั่วประเดียวเดียวชั่วขณะเดียว คำว่าคณิกะก็มาจากคำว่าขณะหนึ่งขณะสงบแบบงูแลบลิ้นหรือสงบแบบฟ้าแลบใหม่ๆเวลาฝึกสมาธิผู้ปฏิบัติมักจะเจอสมาธิชนิดนี้สงบไปแค่วัหนึ่งเพราะว่ากำลังที่ดึงให้ใจเข้าสู่ความสงบนี้ยังมีไม่มากคือสติยังมีกำลังไม่มาก ที่จะดึงให้จิตสงบได้นานอย่าในเบื้องต้นนี้จะเจอความสงบแบบนี้แต่มันก็เป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์ใจมันเบา อ, อกเบาใจอาการหนักกกหนักใจอาการหวาดกลัวหวาดเสียวอาการทุกข์ต่างๆจะหายไปชั่วขณะหนึ่งมันจะเป็น ตัวอย่างเป็นเหมือนสมาธิตัวอย่างเหมือนสินค้าตัวอย่างเวลาบริษัทเขาจะขายสินค้าใหม่ๆที่ไม่มีคนรู้จักเขาจะผลิตสินค้าขนาดเล็กๆไว้ให้ลูกค้าไปลองใช้ดูให้ฟรีถ้าให้ทั้งขวดทั้งก้อนนี้มันจะ เสียขาดทุนมากจะเสียค่าใช้ใจ่ายมากครั้งแรก็ทําชนิดเล็กๆสมัยก่อนไม่รู้สมัยนี้ยังมีหรือเปล่าเหล้าขวดเล็กๆ เ, เนี่ยบนเครื่องบินเนี่ยเวลาเขาสั่งเหล้ามาเขาจะเอาเหล้าขวดเล็กๆขนาดกินได้แก้วหนึ่งเนี่ยให้มาจากฟรีให้กินฟรีให้ทดลองดูว่าชอบไหมดีไหมเดี๋ยวถ้าชอบ ดีเดี๋ยวสั่งเองสั่งขวดใหญ่เหมือนกันสบูเขาก็มีก้อนเล็กๆให้มาลองใช้ดูพอใช้แล้วชอบ เ, เดี๋ยวก็สั่งก้อนใหญ่คันทิกะสมาธิก็แบบเดียวกันพอได้สัมผัสกับสมาธิแม้แต่เป็นแค่งูแลบลิ้นเนี่ยแค่ฟ้าแลบ ก็เกิดความชอบเกิดความยินดีขึ้นมาจะทำให้เกิดมีฉันทะความยินดีวิริยะความขยันทีนี้ไม่ต้องบังคับนน้วเมื่อก่อนโอ้ยต้องบังคับให้นั่งสมาธิบังคับให้พุทธโธบังคับให้เจริญสติพอได้สัมผัสกับคานิกะสมาธิแล้วทีนี้ไม่ต้องบังคับเลย ทีนี้อยากจ ะ, จะเจริญพุโทโธให้มากๆอยากจะนั่งสมาธิให้บ่อยๆเออยากให้มันกลับเข้าไปหาสมาธิอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. แล้วพอฝึกสติให้มากขึ้นให้ต่อเนื่องมากขึ้นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการฝึกสติแต่พอเห็นผลที่ได้จากการฝึกสติแล้วทีนี้จะทุ่มเท เวลาให้กับการฝึกสติเลยเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปหรือถ้าใช้พุทธานุสติก็พุทโธไปถ้าใช้กายกตาสติก็เฝ้าดูร่างกายไปล่างกายกำลังอยู่ในท่าไหนท่านอนท่านั่งท่ายืนท่าเดินกำลังอับน้ำกำลังล้างหน้าแปรงฟัน กำลังหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันอยู่กับร่างกายไปเหมือนกับอยู่กับพุโทโธเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างควบคู่ไปเอาเป็นเชือกสองเส้นไหนก็ได้บางทีให้มันอยู่กับร่างกายมันยังรับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็เอาพุโทโธก็ามาผูกไว้อีกเส้นหนึ่งเสมอเรือนี้ถ้ามีเชือกสองเส้นนี้มันมั่นใจกว่าถ้ามีเส้นหนึ่งมันอาจจะขาดได้ แต่มีสองเส้นนี่มันก็จะทำให้มีความมั่นคงกว่าแข็งแรงกว่าเหนียวแน่นกว่านี่คือพอได้คณิกะแล้วทีนี้มันอยากจะได้อัปปนาอัปปนาสมาธิก็เป็นจิตที่สงบเป็นอุบเบกขาเหมือนกับคณิกะแต่มันจะนานกว่าคณิกาจิตที่สงบนานจะเรียกว่าเป็น เป็นอัปปนาสมาธิคือนานกว่าคั น, นี้กลับขึ้นไปก็ถือว่าเป็นอัปปนาอาจจะสงบได้หนึ่งสองสามนาทีก็เรียกว่าอัปปนาขนาดเล็ก น, นั่งต่อไปฝึกต่อไปเดี๋ยวก็ได้ห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆล้วอาจจะไปลึกกว่า ไปเรื่อยๆอัปปนาสมาธินี้หรือคณิกะสมาธินี้เริ่มเริ่มที่ฌานสี่รูปฌปานสี่เป็นสมาธิที่มีอุเบกขาอุเบกขานี้เป็นคุณสมบัติสาคัญของของใจที่จะเอามาใช้ในการเจริญ ปัญญาเพื่อวิอวมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปนี่คือสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในมรมครคแปดมรรคแปดคือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนมีแปดองค์ด้วยกันะ หนึ่งในแปดองค์ก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบเป็นอุเบกขาตั้งแต่รูปฌปานสี่ขึ้นไปถ้าลงลึกไปกว่า น, นั้นก็ไปสู่อรูปฌปานอีกสี่ขั้นเป็นสมาธิที่สงบนิ่ง จิตเป็นอุเบกขาจิตเย็นจิตมีความสุขมากนี่คือแหล่งของความสุขของจิตใจแหล่งที่เป็นพลังของจิตใจจิตใจจะมีพลังถ้าได้เข้าสู่ระดับรูปฌานสี่และอรูปฌานอีกสี่ขั้นด้วยกันอรูปฌานหนึ่งอรูปฌานสองอรูปฌานสามอรูปฌานสี่ ท่านใดก็ได้ในทั้งห้าขั้นนี้ถือว่าเป็นสัมมาสมาธิขึ้นอยู่กับกำลังของสติของผู้ปฏิบัติว่ามีมากมีน้อยแต่ได้ตั้งแต่รูปฌานสี่ขึ้นไปก็ถือว่ า, าได้ผลแล้วจากการนั่งสมาธินี่คือผลที่เราต้องการในการนั่งสมาธิเราต้องการจิตที่สงบ เย็นว่างจากความคิดปรงแต่งต่างๆว่างจากอารมณ์ต่างๆว่างจากการรับรู้แม้แต่ร่างกายบางทีร่างกายนี้หายไปไม่อยู่ในการรับรู้ของจิตนีหรือถ้าไม่หายก็จะรับรู้แบบไม่ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้จะเฉยๆร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ จะรู้สึกเฉยๆกับมันจะไม่รู้สึกเดือดร้อนจะไม่เกิดความอยากให้มันหายอยากจะลุกอยู่กับมันได้นี่คืออัปปนาสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิที่จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนปัญญาในการที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีในใจต่างๆให้หมดไป แล้วก็มีสมาธิชนิดที่สามที่เรียกว่าอุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธิเกิดหลังจากที่ได้อัปปนาสมาธิสำหรับจิตบางคนอุปจาระนี้ไม่เกิดกับคนทุกคนที่ปฏิบัติสมาธิบางคนได้อัได้อัปปนาสมาธิแล้วก็จอดอยู่ตรงนั้นแต่บางคนมีนิสัย เขาเรียกว่าสุขสนหรือผ่าผนอจิตที่สุขสนผ่าผลนีอชอบไปเที่ยวในโลกทิพย์พวกนี้พอจิตสงบเป็นอัปปนาแล้วไม่อยู่ในอุเบกขาออกไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ไปสัมผัสกับกายทิพย์ชนิดต่างๆไปพบพวกเทวดาพวกเบดพวกผี เลือไปรลาลึกชาติได้รละลึกชาติก่อนเป็นอะไรชาติก่อนนาก่อนนั้นเป็นอะไรรละลึกไปได้เรื่อยๆหรือไปคุยกับเทวดาได้คุยกับผีได้บางทีผีก็มาปรับทุกข์ให้ฟังว่าไปทำบาป ท, ทำกรรมถูกเขาฆ่าตายอะไร มีเรื่องของแม่ชีคนหนึ่งเธอเป็นจิตผาดผนพะอนั่งสมาธิทีไรมันไม่ยอมอยู่ในอัปปนาสมาธิมันจะออกไปที่อุปจารสมาธิแล้วก็ไปพบปะกับพวกดวงวิญญาณนะบางครั้งก็มีดวงวิญญาณของหมูป่าถูกฆ่าถูกนายพรานฆ่าตายก็มาเล่าให้แม่ชีฟัง ว่าตอนเป็นหมูป่าแต่ถูกนายพรานเขาฆ่าตายแต่เธอบอกว่าดวงวิญญาณที่มาจะมาในรูปของคนรูปร่างของคนมาเล่าปรับทุกข์ให้ฟังว่าเป็นหมูป่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นายพรานเขาจะเอาเนื้อหมูป่ามาทําบุญกับแม่ชีขอให้แม่ชีรับสงเคราะห์เป็นบุญเป็นกุศลให้กับหมูป่า เพื่อที่จะได้ไปเกิดในสุขติมาขอถวายเนื้อป่าเนื้อนี้ให้กับแม่ชีตอนเช้าก็มีนายพาเอาเนื้อหมูป่ามาบ่อยจจกให้กับสำนักแม่ชีแม่ชีคนนี้แกรู้่วงหน้าหลายอย่างเคอร์ที่หลวงปู่มั่นตายแกก็รู้รู้ก่อนคนอื่นที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน สมัยก่อนการสื่อสารมันไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนสมัยนี้วิทยุนี่ต้องรอฟังตอนเช้าตอนเขามีประกาศข่าวคนในหมู่บ้านจะได้ยินข่าวก็ตอนสองโมงเช้าเวลาเขามีประกาศข่าวก็มีข่าวว่าหลวงปู่มั่นได้มรณภาพาเมื่อคืนนี้แต่ตัวแม่ชีนี่รู้ตั้งแต่ตอนที่หลวงปู่มรณภาพา ก็หลวงปู่มาบอกเองแม่ชีเองบอกว่าเธอกาลังจะไปเยี่ยมฉันพรุ่งนี้เธอไม่ต้องไปแล้วเพราะถ้าเธอไปเธอก็ไม่ได้เจอตัวเราแล้วเจอตัวแต่ซากของเราคือร่างกายของเราที่ตายไปแกรู้ล่วงหน้าแล้วติดต่อกับดวงวิญญาณได้พอตอนเช้าตื่นขึ้นมาแกรก้องไห้พวกแม่ชีเพื่อนๆก็ถามว่าทำไมร้องไห้ทไม แต่บอกว่าหลวงปูท่ท่านท่านท่านนิพพานแล้วท่านจากไปแล้วลูกแม่ชีก็บอกแม่ชีรู้ได้หรือใช่มาในมาในสมาธินะเดี๋ยวพอสายๆก็มีคนมาส่งขา่าวเนี่ยนี่คืออุปจารสมาธิ แต่ไม่เกิดกับทุกคนที่นั่งสมาธิเกิดเฉพาะบางคนคนที่มีวาสนาคนที่เคยเคยได้ฝึกทางนี้มาก่อนก็อาจจะได้แต่มันไม่ดีมันไม่มีประโยชน์ต่อการไปจรารวิปัสสนาปัญญาเพราะมันไม่มีอุเบกขามันก็เป็นเหมือนกับนั่งดูหนังนี่ เวลาเห็นหนังน่ากลัวจิตก็กลัวตามไปได้เวลาเห็นอะไรหน้าหน้ารักหน้าหัวเลาะก็หัวเลาะไปเหมือนนั่งดูหนังจิตจะไม่มีพลังของอุเบกขาที่จะามาใช้เวลาใช้ปัญญาที่จะมาดับความทุกข์ต่างๆสมาธิแบบนี้ถึงเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิอุปจารสมาธิ แต่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้สำหรับเวลาที่จะเอาม า, าใช้ในการเผยแผ่ธรรมะเช่นพระพุทธเจ้าก็ใช้อุปจารสมาธิในการแสดงธรรมให้กับพวกเทวดาหลวงปู่มั่นท่านก็มีเทวดามาฟังธรรมกับท่านหลวงปู่มั่นท่านก็มีอุปจารสมาธิ แต่เวลาปฏิบัติเพื่อดับกิเลสนี่ดับความอยากนี่ถ้าไปติดอยู่อุปจารสมาธินี่จะไม่มีกำลังที่ไปสู้กิเลสได้เหระนั้นถ้ายังอยู่ในขั้นของการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นอยู่นี้ต้องห้ามไม่ให้ออกไปเที่ยวในอุปจารสมาธิให้อยู่ในอัปปนาสมาธิให้จิตสงบให้สักแต่ว่ารู้ ถ้าเริ่มออกไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องดึงกลับมาใช้สติดึงกลับมาได้แต่ก็ต้องมีครูมีอาจารย์คอยบอกคอยเตือนอย่างไม่ชีรูปนี้เธอก็ตอนต้นก็อาศัยหลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์สอนแต่พอหลวงปู่มั่นจากไปเธอก็มาพึ่งหลวงตามาหาบัวก็มาศึกษากับหลวงตา มาศึกษามาเล่าผลการปฏิบัติก็มักจะมาเล่าเรื่องเจอเทวดาเจอผีอะไรต่างๆหลวงตาก็เลยดุว่านี่มันกำลังหลงทางอย่าไปทางนี้ถ้าไปทางนี้แล้วเธอจะไม่มีวันที่จะไปถึงนิพพานได้ถ้าอยากจะไปนิพพานต้องถอยกลับมากลับเข้ามาอยู่ในอัปปนาสมาธิ สอนหลายครั้งแกก็ไม่เชื่อมารายงานผลก็ชอบมาว่าเห็นหนู่นเห็นนี่จนหนงตาต้องยื่นคำขาดถ้าเธอจะมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้เราฟังก็อย่ามาอีกต่อไปขี้เกียจฟังตัดการเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันไปพอู ข, อ, ข อ, อย่างนี้แกถึงรู้ว่าหนงตาเอาจริงเอาจังเลย ก็เลยหยุดหันกลับเข้ามาทำจิตให้นิ่งเป็นอัปปนาสมาธิพอมีอัปปนาสมาธิพอเอามาเจริญปัญญาเจริญไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หยุดความอยากต่างๆได้เพะมีมีอุเบกขาที่ได้จากอัปปนาสมาธิมา ถ้าไม่มีอุเบกขาเห็นอันนี้จังทุกขาวหน้าตาเหรอเห็นก็เห็นไปเห็นว่าทุกข์ก็ยังอยากได้มีแฟนแล้วทุกข์ก็ยังอยากได้ดีกว่าไม่มีแฟนไม่มีแฟนมันก็ทุกข์วมีแฟนมันก็ทุกข์แต่มันทุกข์ช้าหน่อยไปทุกข์ข้างหน้าแต่บางทีทุกข์ข้างหน้าก็สายไปนะทุกข์ข้างหน้าบางทีเจ็บใจอยากจะฆ่าตัวตายเลยนะมันก็มีเนะี่ย แต่มันถ้าไม่มีอุเบกขาแล้วเห็นไตรลักเห็น อ, อัศวะเห็นอะไรมันก็เห็นไปอย่างนั้นเห็นแล้วมันก็หยุดไม่ได้เพราะว่ามันหิวมันไม่มีความอิ่มมันไม่มีอุเบกขาถ้าไปเล่นกับอุปจารสมาธิมันจะติดอยู่ตรงนั้นนะมันจะไปทางวิปัสสนาไม่ได้จะไปพิจารณาไตรลักเพื่อปล่อยหยุดความอยากต่างๆไม่ได้ ด, ดีไม่ดีอาจจะกลายเป็นเครื่องมือของกิลเลสไปได้อุปจารสมาธิพระพระเทวทัตนี่ก็ได้อุปจารสมาธิได้ฤทธ์ได้มีอิทธิฤทธ์ก็คิดว่าตัวเองเก่งก็เลยขอเห็นพระพุทธเจ้าแก่แล้วก็เลยขอขอเป็นพระพุทธเจ้าแทนเป็นศาสดาเป็นประธานสงฆ์ พราจะจ้าเห็นว่ายังไม่มีน้ํายาพอที่จะเป็นขณะอัคราสาวกที่เป็นพระอาหารหันต์ท่านยังไม่ได้ตั้งให้เป็นเลยและนี่ยังไม่ได้บรรลุธรรมเลยจะมาขอเป็นนี่คือความอํานาจบาตรใหญ่ความอยากได้อํานาจบาตรใหญ่หลงคิดว่าตนเองเก่งทั้งๆกิเลสยังมีเต็มอยู่ในหัวใจ พระพุทธเจ้าก็ตั้งไม่ได้ตั้งเดี๋ยวสงฆ์ก็วุ่นวายเพราะมีอาคตินักมีเลือกที่รักมักที่ชังแล้วก็บพระพุทธเจ้าก็ยังเห็นว่าไม่มีใครจะมาแทนพระพุทธเจ้าได้พองค์ก็ไม่ตั้งก็เลยโกรธเห็นไหมกิเลส ข, ขึ้นเลยพอปฏิเสธเยบอกว่าขนาดสาลีบุตรกโมุคลานะเรายังไม่ตั้งเลยแล้วเธอเป็นใครอยาให้เรามาตั้งเย เพราะคิดว่าเป็นญาติกันพระเทวท่านนี้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในห้าเจ้าชายที่ออกบวชพร้อมกันพระอานุ์ก็เป็นหนึ่งในห้าเจ้าชายเป็นผู้ที่มาอุปถัมพระพุทธเจ้าพระอนุรุท ธ, ธะก็เป็นอีกหนึ่งองค์ตรงนี้ท่านก็สามารถติดตามวาราจิต ด, ดูจิตของผู้อื่นได้ ตอนที่พระพุทธเจ้านิพพานนี่ท่านเป็นคนมอนิเตอร์เหมือนดูว่าตอนนี้จิตของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนนะอ๋ะอตอนนี้ยังอยู่ในฌานตอนนี้กำลังออกจากฌานแล้วตอนนี้นิพพานแล้วเป็นเหมือนผู้สื่อข่าวถ่ายทอดสดพระรูปอื่นถึงแม้เป็นพระอารหันต์แต่ไม่มีอุปจาระก็ตามวาระจิตไม่ได้ก็ต้องคอยถามให้ไปถึงไหนแล้วไ นี่เป็นห้าเจ้าชายเป็นญาติของพระพุทธเจ้าที่หลังจากที่พระพุทธเจ้าไปโปรดที่ในวังเกิดศรัทธาก็เลยขอออกบวชพร้อมๆกันทั้งห้ารูปพระเทวทัตนี้ก็เลยคิดว่าเป็นญาติกันก็น่าจะตั้งให้ตนเองเป็นผู้สืบทอดเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ดูเรื่องญาติท่านดูเรื่องความสามารถเรื่องของความเหมาะสม หลังจากพิจารณาแล้วท่านเห็นว่าไม่ควรตั้งใครเลยตั้งตั้งสงแทนตั้งไม่ตั้งใครเลยต่อให้สงให้ทําเป็นผู้จัดการเาให้เป็นธรรมะจัดสรรไปเนีย่ยพอหลังจากพระพุทธเจ้าจากไปผ้าหลานห้าร้อยรูปก็เลยมารวมตัวกันมามาประชุมกันแล้วก็มากรองคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้ยึด คำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าต่อไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งไว้ก่อนตายว่าคําสอนของเรานี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพระพุทธเจ้าไม่ตั้งให้รกรูปนั้นรูปนี้เป็นเพราะตั้งไม่กี่ปีเดียวมันก็ตายกันตายแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาตั้งกันใหม่นั่นแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีพวกกันเดี๋ยวก็แย่งกันตีกันอีก เกิเลยไม่ตั้งไรให้มาเป็นศาสดาแทนตั้งพระธรรมคําสอนทำที่เราได้ตัดไว้ชอบแล้วเลยสวาขาโตภักวาตาธรรมนจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปหลังจากที่เราจากพวกเธอไปแล้วนี่คือเรื่องของการมีอุปจารสมาธิมันจะไม่มีกําลังไม่มีปัญญาที่จะรู้ทันกิเลส ขอกิเลสมาหลอกว่าเก่งว่าควรจะเป็นใหญ่ควรจะเป็นผู้สืบทอดอต่อจากพระพุทธเจ้าก็เลยไปขอกล้าไปขอพอพระพุทธเจ้าปฏิเสธกิเลสความโกรธก็เกิดขึ้นมาโกรธถึงพยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งเลยกันครั้งที่หนึ่งก็จ้างคนมาฆ่าพระพุทธเจ้าก็ แสดงธรรมโปรดพวกที่จะมาฆ่าให้เห็นโทษของการทำบาปจนเขากลัวบาปไม่กล้านอกจากแสดงธรรมแล้ว ย, ยังช่วยเขาเองบอกว่าอย่ากลับไปทางเดิมนะเพราะเขาจะส่งคนชุดที่สองมาฆ่าพวกเธอเพื่อปิดบาปพอพวกที่สองตามมาหาไม่เจอพระตจ้าก็บอก ว, ว่าเขาไม่ได้ไปทางนั้นเพราะเขาไม่กล้าทำบาปพอพวกนี้ดู เขาก็ไม่กล้าทําบาปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าไปทางนั้นเดี๋ยวก็จะมีชุดที่สามมาตามเก็บพวกชุดที่สององีกหนึ่งในที่สุดก็เลยฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พอกจ้างฆ่าไม่ได้ทีนี้ก็เลยหาโอกาสรอจังหวะเวลาพระพุทธเจ้าเดินผ่านคอกช้างปล่อยช้างให้ออกมาเพื่อที่จะได้เหยียบพระพุทธเจ้าให้ตายนแต่ช้างพอเจอพระพุทธเจ้า แผ่เมตตามันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ก้มลงกราบแทนด้วยบารมีของความเมตตาของพระพุทธเจ้าพอใช้ข้างค่าช้างข่าไม่ได้ทีนี้ก็ขึ้นไปปีนเขาเลยไปอยู่เฉเขาเวลาพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาที่ตีนเขาก็กิ่งก้อนหินลงมาเพื่อจะให้ทัก แต่ก็ทำให้สำเร็จมีเพียงแต่สเกยดหินใบถูกพระบาททำให้ห่อเลือดการทำให้พระเจ้าห่อเลือดนี้ก็ถือว่าเป็นอ น, านาันตฤยกรรมเหมือนกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพออาระอรหันต์มีโทษหนักถึงนรกขุมที่เลือกที่สุดก็เลยตายไปก็เลยต้องไปตกนรกแต่ก่อนตายนี่ดีจานึกผิดไปขอ ขมาก่อนจะถูกแผ่นดินสู่ก็ขอถวายกรรมเป็นเป็นเครื่องสักการะบูชาในความเห็นผิดของตนพระพุทธเจ้าบอกเนื่องจากมีความเห็นผิดนี้จะทําให้เขาหลังจากที่พ้นจากนรกแล้วได้กลับมาปฏิบัติธรรมใหม่น่าจะได้บรรได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปแต่บรรนพระปฏิเจกกับะพุทธเจ้า นี่คือผลของการไปเล่นกับอุปจารสมาธิถ้ายังไม่ได้ดลุดพ้นยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่าไปเล่นเหมือนกับเด็กนักเรียนอย่าไปเล่นเกมซื้อคอมมาแทนที่จะไปเอามาทำงานทำการบ้านดูหนังสือไปเปิดเล่นเกมอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์ เดี๋ยวเวลาสอบก็สอบไม่ได้การบ้านก็ไม่ได้ส่งสอบตกแบบเดียวกันเนี่ยจิตก็เป็นเหมือนเครื่องคอมเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ก็ได้เอามาใช้ให้เกิดโทษก็ได้ยิ่งถ้ายังอยู่ในขั้นเรียนหนังสืออยู่นี้อย่าเพิ่งไปใช้กับเรื่องอื่นเอามาใช้กับเรื่องเรียนก่อนเอาจิตนี้มาเข้าอัอปปนาสมาธิ ให้มันสงบให้มันเบิกบานให้มันมีความสุขมันจะได้สู้กับกิเลสที่จะมาคอยหลอกให้ไปหาความสุขแบบเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นเองพอมีความสุขจากอัปปนาสมาธิแล้วกิเลสจะมาชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวเพาเหนื่อยอยู่บ้านดีกว่านั่งสมาธิดีกว่าปีใหม่นี้หยุดห้าวันใครมาชวนไปไหนไม่ไปแล้วถ้ามีอัปปนาสมาธิ นั่งสมาธิดีกว่าทำใจให้สงบไม่เหนื่อยไม่เสียเงินเสียทองไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องจองที่พักจองโรงแรมวุ่นวายไปหมดเวลาเดินทางก็ไปเบียดเสียดกันไปย่างกินย่างเข้าห้องน้ำกันเวลาไปช่วงไปเที่ยวนี่สังเกตไหมคนแอร์อัดตามสถานที่ท่องเที่ยวพัทยานี่ไม่ต้องคนอยู่พัทยานี่ไม่อยากจะออกนอกบ้านเลย ออาไปก็รถติดเนี่ยรถคนมาจากที่ไหนไม่เต็มไปหมดเนี่ยซอยู่บ้านนั่งสมาธิเข้าอัปปนาสมาธิดีกว่าเนี่ยถ้ามีอัปปนาสมาธิมันจะเห็นเห็นความแตกต่างระหว่างความสุขที่เกิดจากการทำตามความอยากกับความสุขที่ได้จากสมาธิว่ามันเหมือนฟ้ากับดินนะความสุขจากสมาธินี่ แสนสบายแสนง่ายอยู่บ้านเฉยๆเข้าสมาธิจิตก็มีความสุขนะถ้าออกไปเที่ยวต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมเงินเตรียมทองต้องเตรียมสถานที่ที่จะไปจองที่พักจองที่กินบางทีร้านาหารก็ยังต้องจองโต๊ะอันบางทีไปถึงแล้วอาจจะต้องไปรออีก แล้วดีไม่ดีเกิดทำอาหารมาไม่ถูกไม่อร่อยก็เสียความรู้สึกอีกเมันไม่ใช่เป็นของง่ายที่จะหาความสุขจากทางร่างกายเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขจากการทำใจให้สงบนี่ความสุขทางใจทานความสงบนี้มันสบายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงิน ไม่ต้องไปดิน้นโลนหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาต้องมาเอามาใช้เนี่ยพอมีอัปปนาสมาธิแล้วมีปัญญาคิดเปรียบเทียบเป็นคิดเปรียบเทียบระหว่างความสุขสองรูปแบบเป็นก็จะเลิกหาความสุขแบบเก่าเคยไปเที่ยวก็เลิกเที่ยวเคยมีแฟนก็เลิกมีแฟนเคยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เลิกมีมันมีก็เป็นภาลต้องคอยดูแลรักษา รักษาก็ไม่ได้ใช้มันไม่รู้ดูแลมันไปทำไมเพราะงินที่ซื้อความสุขซื้อความสุขที่ได้จากอัปปนาสมาธินี้ไม่ได้มันก็เลยเลิกความอยากต่างๆได้พอ เ, เลิกความอยากต่างๆได้มันก็แปลงสมาธิที่เป็นความสุขชั่วคราวกลายเป็นความสุขถาวร เพราะความสุขชมาทินี้มันถูกทำลายด้วยความอยากพอเกิดความอยากขึ้นมาความสงบก็จะหายไปแต่พอเรากาจัดความอยากที่จะมาทำลายความสงบได้หมดมันก็ไม่มีอะไรมาทำลายความสงบความสงบของสมาธิมันก็เลยกลายเป็นความสงบที่ถาวรพอเป็นความสงบที่ถาวรมันก็เป็นนิพพานขึ้นมาเป็นบารมังสุขขังขึ้นมาอันนี้ต้อง มีสัมมาสมาธิคืออปปนาสมาธิถ้าใครนั่งแล้วอยากจะไปดูนั่นป็นดูนี่อยากจะไปอ่านวาระจิตของคนหนึ่ว่าตอนนี้เขาคิดถึงเรื่องอะไรอย่าไปเสียเวลาหรือนั่งแล้วอยากจะเห็นเลขเห็นเบอร์นี่ก็อย่าไปนั่งอันนี้ไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิมันจะทำให้ติดแล้วก็จะไม่สามารถที่จะสู้กิเลสได้ ไม่สามารถตัดพบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากความอยากต่างๆได้เพราะเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือตอบสนองความอยากอยากได้เงินเดี๋ยวก็เพ่งดูวันนี้เลขอะไรจะออกวดหน้าแล้วก็ไปสั่งจองเลขไว้หรือไม่เชนั้นก็ไปทำนายทายทักเป็นหมอดูคนนั้น อยากจะรู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรก็ทํานายทายทักบอกเขาทาอย่างนี้นะถึงจะดีทนอย่างนี้ไม่ดีก็จะมีคนเอารายได้มาให้ก็เลยกลายเป็นหมอดูไปแต่การเป็นหมอดูไม่ได้ทำให้กิเลสมันตายไม่ได้ทำให้การเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดลง การเวียนว่ายตายเกิดจะสิ้นสุดลงได้ต้องเป็นผ้าอาหารหันนั้นต้องเป็นผ้าอริยบุคคลถึงจะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้ามาเป็นหมอดูมาดูภายในเนี่ยพวกหมอดูนั่งหลับตาแล้วดูนั่นมุกมิบแล้วก็บอกให้นู่นบอกนี่คนฟังก็เชื่ออ๋อแก้กรรมได้ทําอย่างนี้แล้วกรรมจะหมดเนี่ยกระจายสบูชาเอ บูชาอาจารย์พอได้เงินมาก็ติดติดเที่ยวเอาเงินไปซื้อของเที่ยวของกินของดื่มแหมพวกหมอดูที่มีลูกศิษย์เยอะๆนี่อยู่ดีกินดีไหมน่หละมันก็มันก็ไปไม่ถึงไหนมันไม่ดูดพน้นต้องระมัดระวังถ้าเกิดเรา มีวาสนาไปทางอัปปะนาะทางปัจจารสมาธิหรือถ้าเรามีความเห็นผิดตั้งแต่เริ่มต้นเี้ว่านั่งสมาธิเพื่อม า, เ, อาเห็นนรกเห็นสวรรค์มาเพื่อที่จะมีฤทธิ์มีเดชอย่าไปนั่งแบบนั้นเลยเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ต่อจิตใจไม่ได้ทําให้จิตหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด แต่กลับจะผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยให้มานั่งเพื่อทำจิตให้สงบให้เป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้อย่าไปเห็นอะไรเห็นก็บางทีก็ยังไม่ได้เห็นของจริงก็หลงไปละเห็นว่าเป็นเทวดาบ้างเห็นว่าเป็นพระพรหมบ้างเห็นว่าเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเห็นว่าเป็นรอนั่นรอนี้บ้าง บางคนนั่งเห็นล้อห้องลอห้ามามั่งเห็นไปต่างๆนานาโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นการจินตนาการปรุงแต่งของจิตเองเนีพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของมโนของจิตทั้งนั้นเนี่ยยังไม่เป็นอุปจารสมาธิแล้วถ้าเป็นอุปจาระมันต้องผ่านอัปปนาไปก่อนนะมันนั้นส่วนใหญ่พอนั่งไม่ได้กี่นาทีก็เริ่มเห็นหนู่นเห็นนี่แล้ว นี่นั่งแบบไม่มีสตินั่งแบบไม่มีพุโทโธคอยควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบนั่งไปแล้วก็ปล่อยให้มันปรุงแต่งขึ้นมามีอะไรปรุงแต่งก็เชื่อมันขึ้นมาว่าอดีตชาติเคยเป็นพรมมานะคอยเป็นนู่นเป็นนี่มาเป็นเรื่องความคิดปรุงแต่งหลอกตัวเองอ แล้วก็มาเริ่มทำนายทายทักคนนั้นคนนี้มาเล่าให้คนนั้นคนนี้ฟังว่นั่งแล้วได้เห็นอย่างนั้นได้เห็นอย่างนี้พอคนอื่นได้ยินได้ฟังก็เชื่ออยากจะหัดนั่งตามก็เลยกลายเป็นอาจารย์สอนคนไปในทางที่ผิดเนี่ยนี่คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิ นั่งสมาธินี่เพื่อให้จิตสงบให้จิตมีความสุขในตัวเองเป็นอุเบกขาไม่หิวไม่อยากกับอะไรพอมีความอยากโผล่มามาดึงไปก็จะได้ใช้ปัญญามาเปรียบเทียบว่าความสุขที่ความอยากต้องการมันเป็นสุขแท้หรือสุขปลอม ความสุขต่างๆที่ความอยากต้องการความอยากจากรูปเสียงกลิ่นรสความอยากจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มันเป็นความสุขปลอมพรามันเป็นความสุขชั่วคราวพอสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดภาคจากกันพอเวลาต้องจากสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ไป ความสุขที่ได้ก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาพอมันอนิจจังเกิดขึ้นทุกขังก็ตามมาเพราะมันเป็นอนัตตาห้าไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติของสิ่งต่างๆเป็นอนิจจังมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีมามีไปมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์ มันเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาเราจะไปสั่งให้มันสุขอย่างเดียวไม่ได้สั่งให้มันเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เจอกันไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆถ้าให้มันสุขเหมือนตั้งแต่วันแต่งงานก็ดีนะทุกวันเป็นเหมือนวันแต่งงานโอ้ชีวิตก็สบายมันพอแต่งงานไปแล้วไม่กี่วันมันก็เป็นอดีตไปแล้ว ปัจจุบันมันเป็นคนละคนไปแล้วคนละเรื่องไปแล้วเป็นภาคสองน่ะภาคหนึ่งจบไปแล้วภาคแต่งงานภาคสองคือภาคบู๋ตามมาทีนี้บู๋กันแนละ้วทีนีออ้ออกเรียวออกแรงออกแข้งออกคขางอนะไรคำหยาบที่ไม่เคยออกมาก็ออกมาเลยมึงกูอะไรนี่มาละจะจ๋ า, จาหายไปหมดครับผมหายไปหมด น, นี่คืออันนี้จังไม่เที่ยงเอถ้าไม่มีปัญญาก็จะมองไม่ออกมองไม่เห็นจะเห็นว่าวอจะเจจกันเปตลอดจะรักกันไปตลอดเนี่ยแต่ไปดูตัวอย่างสิตัวอย่างก็คิดว่าเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเรื่องของเราต้องดีต้องหวานไปตลอด แต่พอลองไปสัมผัสกัจริงๆมันก็เป็นเหมือนเรื่องเรื่องคนอื่นเนี่ยเป็นละครน้ําเน่าเหมือนกันนะฮนี่ต้องใช้ปัญญานึกภาพถึงจะทําให้รู้ว่าความสุขที่เกิดจากการทําตามความอยากมันเป็นอย่างไรกันหน้ามันเป็นสุขแท้หรือเป็นสุขชั่วคราวถ้าเป็นสุขชั่วคราวมันก็เป็นเหมือนสุขปลอมฮะ พอรู้ว่ามันเป็นสุขความรู้ว่ามันจะกลายเป็นความทุกข์ก็ไม่ไปดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าอยากจะไปหาแฟนก็อยู่คนเดียวดีกว่าถ้าอยากจะไปเที่ยวก็อยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านสบายกว่าเก็บเงินเก็บทองไว้ซื้อของจำเป็นดีกว่าดีกว่าเอาเงินทองไปใช้หมดแล้วต้องกลับมาเครียดกับการหาเงินทองใหม่พอหาได้ก็ถูกความอยากมาหลอกเอาไปใช่ไง หามาได้เท่าไหร่ก็หาให้หมดนะความอยากนี่มันฉลาดมันหลอกเราเก่งไอ้นั่นก็ดีอนี่ก็ดีดีไปหมดไอ้ไม่ดีเมื่อมองไม่เห็นคือเงินหมดมองไม่เห็นเวลาเงินไม่พอใช้เครียดนี่ยมองไม่เห็นกันอันนี้ถ้าไม่มีไม่มีอัปปนาสมาธิไม่มีความสุขในใจมันจะมันไม่มีอะไรที่จะ ดึงใจไว้นั้นเองพออะไรสุขปั๊บมันต้องไปทันทีถึงแม้ว่ามันจะทุกข์ก็ช่างมันขอไปตายดาบหนะ้าตอนนี้ไม่มีความสุขถ้าไปแล้วมีความสุขจาอยู่หรือไปดีก็ต้องไปทั้งนั้นแหละแต่ไปแล้วไปทุกข์ทีหลังอันนี้นก็ค่อยไปแก้ปัญหากันจะแ ก, ก้โดยวิธีไหนก็ไม่รู้แหละบางทีก็แก้ด้วยการกระโดดตึกตายก็มีกินยาพิษตายก็มี หรือไปแก้ด้วยการไปเป็นหนี้เป็นสินไปไปทําบาปไปช่อโกงไปลักทรัพย์ไปติดคุกติดตารางต่อไปก็มียังไม่มีข่าวช่อโกงให้เราได้ยินได้ฟังอยู่ด้วยพวกนี้ใช้เงินเก่งพอเงินไม่พอใช้หาโดยวิธีสุดจริลุไม่ได้ก็เลยต้องหาวิธีโดยช่อโกงหลอกลวงคนนั้นหลอกลวงคนนี้อาศัยปากหวาน แต่งตัวสวยๆหล่อๆคนเห็นก็เชื่อถือถูกหล อ, อกก็ไปจะมา้วิทีก็สายไปซะแล้วเงินเข้าอ้อยเข้าปากช้างไปแล้ว <c oughs> ก็ทำได้อย่างมากก็จับไปติดคุกติดตาราง น, นั่น น, ะ น, ะ น, ะนี่คือถ้าไม่มีอั ป, ปนาสมาธิไม่มีความสุขในใจนี่สู้ความอยากไม่ได้หรอกพอความอยากมันมาเชิญนี่ไปทันทีเลยนะ ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องยับยั้งเลยพอมีใครมาชวนไปเที่ยวไปเลยเนี่ย่แต่ถ้ามีอัปปนาสมาธิมีความสุขในใจแล้วต้องนั่งคิดก่อนว่าต้องทำอะไรบ้างถึงจะได้ความสุขอันนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมกระเป๋าเตรียมรองเท้าเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรยุ่นวายไปหมดโอ้ยสู้นั่งเฉยๆหลับตาแป๊บเดียวก็ได้นะ เอาอย่างไหนดีกว่าเอาอัปปนาสมาธิดีกว่าไม่ไปเที่ยวดีกว่าตัดกามาตัณหาได้ตัดภาวะตัณหาได้ตัดวิภาวะตัณหาได้ตัดได้หมดถ้ามีอัปปนาสมาธิแล้วมีปัญญามาสอนมาเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างความสุขสองรูปแบบว่าอันไหนจะดีกว่ากันก็จะเห็นว่าความสุขจากความสงบเนี่ยดีกว่า ความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความสุขได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นความสุขประเดียวปดาวแล้วเป็นความสุขไม่แน่นอนบางทีอยากได้ไม่ได้ก็เสียใจพอได้มาแล้วสูญเสียไปก็เศร้าใจมีแต่ทุกข์ตามมาทุกข์ด้านตั้งแต่ก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนจะได้ก็ทุกข์แล้ว เวลาอยากจะได้อะไรนีกินกินได้นอนหลับเนะียกินไม่ได้นอนไม่หลับลนะวกังวลกระวายมันหวยออกนี่ทําอะไรไม่ได้แนละ้วคนที่เราฟังผลหวยเนี่ยทางานทําการไม่เป็นไม่ไม่มีกระจิตกระจายจะทําทนะคอยจะฟังว่าเอหวยออกอะไรเบอะไรเอะไร พอเกิดความอยากแล้วมันเริ่มสร้างความระสำาระสายให้กับจิตใจจิตใจที่อยู่เป็นปกติก็วุ่นวายขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ก็ผิดหวังเสียใจพอได้ก็ดีใจแล้วก็มาเครียดกับว่าจะทำไงกับเงินที่ได้มาจะเก็บไว้ที่ตรงไหนจะซ่อนไว้ที่ตรงไหนจะปฏิเสธคนที่ก็จะมาขออย่างไรเดี๋ยวต้องมีคนมาขอความช่วยเหลือแล้ว เดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นพี่เป็นน้องกันไม่ช่วยเหลือก็หาว่าใจเจิดใจดำอกีกกลายเป็นคนบาปไปอีกนี่คือความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาถ้ามีปัญญานั่งเปรียบเทียบแล้วมันก็จะได้รู้ว่าอไม่มีอะไรดีเท่ากับความสงบไม่มีใครมาขอถ้ามาขอก็ให้เขาได้มึงไปนั่งพุทโธสิง <c oughs> ่าจะตายไปกูก็นั่งพุทโธงกูเนี่ย ถ้ามึงอยากจะได้ก็ไปนั่งพุทโธ เ, เอาเดี๋ยวก็ได้เนี่ยเราไม่มีใครมาขอความสงบจากเราเลยมีแต่เรามีแต่เราต้องคอยพยายามยัดเยียดให้กับญาติโยมเนี่ยมาทีไรก็ยัดเยียดให้ไปพุทโธ เ, เนี่ยไม่รู้ไปพุทโธกันหรือเปล่าเฮ้ยรู้นะไปเสทไปไปไปพุทไปพุทโธกันเนีไปฝึกกรรมฐานกันฝึกสติกันไปนั่งทําสมาธิทำใจให้สงบกัน แล้วจะมีความสุขแล้วจะไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเขาจะอยู่เขาจะไปเขาจะดีเขาจะชั่วนี้ไม่ไม่ผลกระทบต่อจิตใจของเราอีกต่อไปเพราะเรามีความสุขในตัวเราเราไม่ต้องพึ่งเขาไม่ต้องอาศัยเขาไม่ต้องมีเขา <usi> มีก็ไม่เดือดร้อนกับเขาเขาจะทําอะไรก็ไม่ไม่ยุ่งกับเขาเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะชั่วก็เรื่องของเขา เขาจะเป็นก็นเรื่องของเขาเขาจะตายก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราสัหน่อยเราไปวุ่นวายทําไมที่วุ่นวายเพราะเราไปหวังอะไรจากเขาไปพึ่งของพึ่งเขาอยากได้ความสุขจากเขาพอไม่มีเขามันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่พอเรามีความสุขจากสมาธิแล้วเราไม่พึ่งใครแนละ้วไม่หวังอะไรจากใคร น, นี่คือเรื่องของสมาธิที่เอามาฝากในวันนี้ มีสัมมาสมาธิคือคณิกะกับอัปปนาสมาธินะมิจฉาสมาธิคืออุปจารสมาธิสมาธิที่ไปท่องในนรกสวรรค์ท่องไปติดต่อกับเทวดาผีต่างๆหรือไปอ่านวารลจิต ด, ดูอนาคตดูอดีตอันนี้เป็นสมาธิที่ไม่มีประโยชน์ต่อจิตใจเป็นสมาธิที่จะผูกใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด พยายามหลีกเลี่ยงสมาธิอันนี้ด้วยการดึงสติให้กลับเข้าสู่อัปปนาสมาธิแล้วจะจิตใจจะปลอดภัยจิตใจจะหลุดพ้นจากกองทุก์ต่อไปการแสดงพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขะลัง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 อราโสยะาสัพิตโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนสีลิสานิจจังวุฒาปจายโนจตารโรธรมมวาทานติ อายุวนโนสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ทุกอย่าง<อ>ถามได้ในช่วงนี้ตลอดเวลาแต่หลังจากที่เลิกแล้วต้องของดอต้องมีขอบมีเขตบ้างหนห้น ตอบไม่ไหวเวลาให้ถามก็ไม่ถามพอเวลาไม่ให้ถามก็จะมาถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อไม่ประสงค์ออกนามเขียนไม่กลัวคนอื่นเขาจะรู้ว่าเป็นเรื่องเราเขียนไม่ประสงค์ออกนามอย่ามาถามหลังใหม่พอหมดแรงแล้วไม่ใช่อะไรแล้วอยากจะพัก วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยแปดสิบเก้าสามร้อยสามสิบสองวิทยุออนไลน์ยี่สิบหกรับฟังข้างบนนี้สามสิบเก้าคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยแปดสิบหกครับวันนี้ขาประจำอยากจะถามคำถามใช่ไหมใช่ค่ะถามได้ค่ะนัมัสการค่ะหลวงพ่อ คือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาหนูก็มีลุงที่ป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลหนูก็ได้ไปเยี่ยมทุกวันแต่ที่ที่หนูไปเยี่ยมเนี่ยทำให้จิตใจของหนูมันสะเทือนใจข้างในเจ้าค่ะล้วก็กลับมาบ้านล้วก็มันนอนไม่หลับหนูรบกวนให้หลวงพ่อช่วยว่าทำยังไงดกีก็หนูไม่เคยพิจารณาร่างกายมาก่อนนะ อันนี้จังร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วจิตก็ยังไม่มีสมาธิก็เลยวันไหวไปกับภาพที่เห็นพอเห็นภาพคนแก่คนเจ็บนี่ใจก็ไม่สบายขึ้นมาเพราะไม่ชอบชอบคนหนุ่มคนสาวคนแข็งแรงพอเห็นอาการของคนแก่คนเจ็บความทุกข์มันก็ไม่อยากจะเห็น เนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นที่เห็นแล้วจะเฉยเฉยยังไม่มีอัปปนาสมาธิจิตยังหวั่นไหวยังรักชังกลัวหลงอยู่ต้องฝึกสมาธิให้นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธให้จิตนิ่งถ้าจิตนิ่งเราไปไะเยี่ยมจะไม่รู้สึกอะไรจะรู้สึกเฉยเฉยเแล้วถ้าใช้ปัญญาก็จะปองได้จะวางได้ ว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาแล้วต่อไปเวลาเราเจ็บเราแก่เราก็จะไม่เดือดร้อน เนี่ยเป็นผลผลสอบบ อ, อกมาแล้วว่าสอบตกเจ้าค่ะหนูยอมรับเจ้าค่ะว่าหนูสอบตกอย่าไปคิดว่าเก่งนะไมะ่เก่งเรื่องนั้นเก่งเรื่องนี้แต่มันไม่ได้เก่งทุกเรื่องเนจะ้าค่ะยังมีข้อสอบอีกหลายข้อที่เรายังไม่ผ่านเจ้าค่ะน้อยก็ดีแล้วว่าตอนนี้เราทําข้อสอบนี้ไม่ได้ค่ะเรายังกลัวความแก่ความเจ็บความตายอยู่เจ้าค่ะต้องหมั่นพิจารณามากๆร่างกาย พิจารณาอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาทุกวันเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาร่วงผลความตายไปไม่ได้ร่วงผลความแก่ความเจ็บไปไม่ได้ต้องพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาต้องท่องบ่อยๆแล้วจิตมันก็จะซึมทราบแล้วมันก็ ถึงม้อาจจะไม่มีปนาสมาธิแต่พอมันคิดบ่อยๆมันก็มันก็ปล่อยวางได้เหมือนกันหอยพิจารณาบ่อยๆสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อคราอยากจะถามเลยหรือเปล่ า, าด เ, ดเดี๋ยวเดี๋ยเอาไม้ไปไหน่ยพูดผ่านไมจะได้เสียงดังจะได้ยินพูดใกล้ใกล้ปาก ดีหนูมาปฏิบัติธรรมมค่ะหลวงพ่อแล้วเมื่อคืนได้ฝันเห็นันที่ล่วงลับไปแล้วอะค่ะซึ่งซึ่งเคยเป็นหัวหน้าในในส่วนที่หนูทำงานนะคะหลวงพ่อก็เลยมีความคิดว่าดวงวิญญาณของเขาทราบใช่ไหมคะว่าหนูมามาปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนอม<า>ไม่แน่หรอก บางทีเราคิดถึงเขาแล้วก็ฝันถึงเขาไปท่านเองอถ้าไม่เป็นไรโดยธรรมเนียมถ้าฝันถึงคนตายก็ให้ทําบุญใส่บาตร<ม>อุทิศบุญไปให้เขาไปข่ า, ม า, าเมื่อเช้าก<อ>็เลยทําบุญตักน้ำกดน้ําเพื่อเขามาเข้าฝันเรามาขอน้ําขอข้าวจากเราค่ะแล้วก็ทําส่งไปให้เขาค่ะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของเรามากกว่าเราคิดถึงเขาเราเคยรู้จักเขา ความจำเขาได้ในมันอยู่ในใจเราเพอลานอนหลับใจเราก็ไปเอาเขาขึ้นมาฝันอะีรค่ะถ้าจะถ้าจะเป็นเขามาจริงๆต้องคุยกันได้ต้องถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรอ่าจริงๆเขาจะบอกว่าตอนนี้เขากำลังเดือดร้อนกำลังอดอยากขาดแคลน เอต้องมาขอบุญขอความช่วยเหลือเหมือนที่เล่าให้ฟังแม่ชีเวลาเข้าสมาธิแล้วมีอุโดวงวิญญาณที่เดือดร้อนมาปรับทุกมาขอบุญให้แม่ชีช่วยอุทิศบุญให้เขาเอออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ของจริงแต่ถ้าเราฝันเราไม่มีอะไรมาพิสูจน์ยืนยันก็ขอย อ, ยอย่าไปคิดว่าเป็นของจริงออ คำถามจากผู้ฝากถามข้างบนนี้นะครับถ้านำธรรมะใช้ในโลกของธุรกิจด้วยความสุขไปทั้งสองส่วนควรน้อมนำและปฏิบัติอย่างไรครับคือธรรมะนี้เราใช้กับตัวเราถ้าเราไปใช้กับคนอื่นไม่ได้ไม่ใช่เราซื่อสัตย์แล้วคนอื่นก็จะซื่อสัตย์กับเรามันไม่ใช่นะเราไม่กองแต่คนอื่นก็อาจจะกงเราก็ได้ ไม่ใช่ว่าพอเราใช้ธรรมะแล้วเขาก็จะไม่โกงเรามันไม่เกี่ยวกันเราไม่โกงเขาเราก็ไม่ต้องรับโทษของการโกงของเราเขากงเราเขาก็ต้องรับโทษไปถึงแม้ว่าในเบื้องต้นเขาได้ประโยชน์ได้โกงเงินอโก ง, งทองเราไปแต่เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเขาต้องไปรับโทษของเข า, าไม่ตอนเป็นก็ตอนตายตอนเป็นก็อาจจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไป ถ้าไม่ถูกจากก็ตายไปก็ไปเป็นเปรตนี่อย่างนั้นการใช้ธรรมะนี่ใช้เพื่อให้เราปลอดภัยจากโทษต่างๆเราไม่ได้ไปทําให้คนอื่นเขาอามีธรรมะไปพร้อมกับเราอย่างนั้นเราทําอะไรด้วยธรรมะเราต้องทําใจอย่าไปหวังให้คนอื่นเขาทําเหมือนเรา เราซื้อตรงเขาไม่ซื้อตรงนี้มันชุดมันเป็นเรื่องของเขาเราไปบังคับให้เขาซื้อตรงไม่ได้แต่เราจะสบายใจเมื่อเราซื้อตรงถ้าเราไม่ซื้อตรงเราจะไม่สบายใจเขาไม่ซื้อตรงเขาก็จะไม่สบายใจคำถามจากคุณมาร์คหากเจอคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสัตว์เจ็บป่วยเราสามารถตั้งจิต แบ่งบุญกุศลที่เราทำมาให้แก่เขาผู้นั้นได้หรือไม่ครับและถ้าได้บุญกุศลที่เราแบ่งให้เขาจะหมดจากเราหรือไม่หรือยิ่งเพิ่มพูนครับออไม่มันไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้ทำบุญกุศลเก่ามันหายไปหมดแล้วมันฝังลึกอยู่ในใจแล้วนะแล้วก็ การแบ่งบุญกุศลให้กับคนเป็นในสู้ให้เงินทองก็ดีกว่าช่วยเขาดีกว่าช่วยได้มากกว่าเพราะฉะนั้นบุญที่อุทิตนี่เป็นเหมือนน้ําที่ติดอยู่ในแก้วเวลาเราเทน้ําแก้วออกไปแล้วยังมีเศษน้ําติดอยู่นั่นแหละคือบุญอุทิตนะฉะนั้นถ้าเราอยากจะช่วยเขา ช่วยด้วยเงินทองพาเขาไปรักษาพยาบาลอะไรอย่างนี้จะดีกว่าดีกว่ามานั่งบุทธิธกวดน้ําให้เขาเขาไม่ได้รับหรอกรับก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเขามากแต่ถ้าเป็นดวงวิญญาณอย่างน้อยก็พอให้เขาได้มีน้ําเลี้ยน้ําในแก้วบ้างอย่างดีเวลาหิวน้ํามีหยดน้ำสองสามหยดอย่างดีกาไม่มีเลยเพราะฉะนั้น เราไม่อุทิศบุญให้คนที่มีชีวิตอยู่หรือสิ่งที่มีชีวิตอยู่เราให้ความช่วยเหลือเขาตามความสามารถของเรานั่นแหละคือบุญสำหรับคนเป็นสำหรับคนเป็นต้องให้ความช่วยเหลือให้ความเมตตากับเขาสำหรับคนตายให้ความช่วยเหลือเขาไม่ได้ก็ต้องให้บุญเขาอุทิศบุญให้เขาไปอาจจะให้เขาน้อยกว่าตอนที่ให้คนเป็น ตอ น, นี่ให้คนเป็นนี่เราให้แก้วน้าทั้งแก้วเลยแต่คนตายนี่เราให้แต่เศษน้าที่ติดอยู่ในแก้วเห็นไหมอยากจะช่วยให้คนเป็นก็ช่วยเขาด้วยเงินทองหรือช่วยเขาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนเขาขาดอะไรก็หามาให้เขาและจะทำให้ความทุกข์เขาหายไปจะทำให้เขาเกิดความสุขขึ้นมา ไม่ใช่เอาบุญเมื่อปีที่แล้วมาอุทิตาหายไปไหนเราก็ไม่รู้อย่างน้ก็ไม่ต้องทำบุญให้เสียเวลาเคยทำบุญครั้งเดียวก็อุทิตมันได้เป็นร้อยเป็นพันครั้งมันหายไปหมดแล้วมันมั น, ม, นมันอยู่มันอยู่ในใจแต่มันถูกฝังไว้อยู่ในใจมันมีเรื่องบาปเรื่องอะไรอย่างอื่นมากบไวอ้อีกอยงนั้นถ้าเราอยากจะอุทิตบุต้องเอาบุญแบบสดสดร้อนๆใส่บาปปุบ๊บก็อุทิตตอนนั้นเลย ใช่ไหมตอนใส่บาตรอิอร่มเอใจสุขใจใช่ไหมนั่นแหละเราส่งความอิ่มใจสุขใจไปไม่ใช่มาอุทิศตอนเย็นแล้วบางทีหายไปบวล้วไปทะเลาะ ก, กับคนนั้นมีเรื่องกับคนนี้ไม่รู้จะเอาบุญตรงไหนไปอุทิศให้เขาแล้วตอนนั้นนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าเช้ามีความรู้สึกอย่างไรคําถามจากคุณวิจัยคําว่าถีติดจิตคือจิตที่เป็นอยู่ในขณะ อยู่ในสภาวะอัปปนาสมาธิหรืออย่างไรครับไม่รู้เหมือนกันเราเพิ่งได้ยินวันนี้ลองไปถามกูก e ดีกว่าเราไม่ไม่ชำนาญทางทางภาษาบาลีทีทตฐิเจตลองไปค้นดูเดี๋ยวมือมือเถือนี่ถามมันก็ได้ทีฏฐิเจตเดี๋ยวมันก็ค้นหามาให้เองคำถามจาก ผู้ฝากถามสรุปใจความสำคัญของการปฏิบัติธรรมก็คือใจเราพ้นทุก์มีแต่ความสุขโดยที่มองทุกอย่างที่กระทบใจเป็นเรื่องธรรมดาแม้จะเป็นเรื่องดีและไม่ดีก็ตามซึ่งไม่ยึดติดทางใจใดๆโดยใช้สมาธิและปัญญาถูกต้องหรือไม่ครับก็ลองไปทำดูสิ <c oughs> <c oughs> จะได้รู้จริงเห็นจริงทด <c oughs> ลองดูคาถามจากคุณจินคอปคาถามแรก คำที่ใช้นั้นจิตกับความคิดอันเดียวกันหรือไม่อย่างไรครับจิตเป็นตัวผู้ผลิตความคิดขึ้นมาโดยใช้สังขารเป็นตัวผลิตตัวจิตนี้เป็นเหมือนตัวตัวตัวคุมความตัวที่เอาเอาความคิดความรู้สึกต่างๆออกมาให้ทิ้งตัวจิตเป็นตัวรู้และตัวสั่งให้ความคิดคิดปรุงแต่งไปเรื่องต่างๆนานา คำถามที่สองจิตผู้รู้ตอนจะออกไปคิดมีช่องทางหรือไม่ครับสติดูตรงนั้นจะเข้าสมาธิได้ไหมครับจะหยุดความคิดได้ก็เข้าได้คำถามจากคุณอรุณคุณพ่อเป็นโรคพากินสันประมาณเจปีพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างทุกทกวันเราอาบน้ำให้ท่านมีวันหนึ่งพาพ่อไปอาบน้ำท่านเสียชีวิต จะเป็นบาปไหมเจ้าคะไม่ทราบว่าเสียชีวิตเพราะท่านอาบน้ําเลยลูกพาไปอาบน้ำครับเพาะยัง ไ, ไ, ไงลนะ่ะก็เสียเสียชีวิตตอนนั้นครับถ้าเสียชีวิตโดยที่เราไม่ได้ไปทําให้เขาเสียชีวิตก็ไม่บาปนะแต่เราไปเจะกดเขาจมน้ําไมเขาหายใจ นี่ก็บาปนะแต่ถ้าไปอาบน้ำให้ทำตามธรรมดาแล้วเขาอยู่ดีๆก็ไม่หายใจนี่ก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวเราเราทำบุญเราช่วยอาบน้ำให้ท่านแต่ท่านไม่มีแรงจะหายใจท่านก็อยู่หายใจท่านก็ตายเราไม่บาปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจไม่มีการกระทำที่ทำให้ท่านตาย ถึงแม้อาจจะพลาดพั้งทําให้ท่านตายแต่ถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปนะเหมือนหมาวิ่งตัดหน้าเราเนี่ยขับรถหมาอยู่ดีๆมันวิ่งมาตัดหน้าเราตะชนมันตายนี่เราไม่บาปนะเพราะเราไม่มีความตั้งใจไม่มีความคิดอยู่ในใจเลยว่าจะไปทําให้มันตายอยู่ดีๆมันไม่รู้มันวิ่งมาจากที่ไหนมันมาตัดหน้ารถเราเบรคไม่ทันนี่มันก็ชนมันตายอย่างนี้ก็ไม่บาป คำถามจากคุณกรมีเพื่อนบ้านเอาปลาตะเพียนทองมาให้เลี้ยงเลี้ยงมาได้สักระยะโยมพิจารณาว่าเป็นเหตุทําให้มียุงเลยนําไปปล่อยที่บึงใหญ่แต่มีคนมาทักว่าทําแบบนี้จะเป็นบาปเพราะจะถูกปลาใหญ่กินโยมไม่สบายใจเจ้าค่ะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกเกิดมามันก็ต้องตายตามธรรมชาติของมัน ปลาแล็กก็สายปลาใหญ่ก็ต้องกินปลาเล็กไปตามทั้งเรื่องของมันตัวมันมันก็ไปทําบาปอย่ามันก็ไปกินตัวไร้ก๋วย่างเองน น, นี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของกรรมของมันที่มาเกิดเป็นเดรัจฉานมันก็ต้องใช้กรรมของมันไปพอหมดกรรมมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ังานไปปล่อยปลาไปนี่ไม่บาปหรอกอย่างนี้ก็ไม่ต้องปล่อยปลากันหรอกปล่อยแล้วเดี๋ยวว่าถูกตัวอื่นกัดกินตายหรือบางทีถูกเจ้าของที่มาจับมาขายใหม่บางทีพวกนี้เขารู้ที่ปล่อยพอตอนเย็นเขาก็มาดัดจับมันใหม่มันก็เวียนเวียนเทียนกันอันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมของคน พฤติกรรมของเราคือเราต้องการที่จะให้เขามีสาภาพให้เขาพ้นจากการถูกฆ่าตายแต่เมื่อปล่อยเขาแล้วถ้าก็จะไปถูกฆ่าตายด้วยเหตุอื่นมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วแต่ไม่ถูกฆ่าตายก็มีเยอะแยะไปใช่หไหมงั้นก็จะปล่อยปลากันทําไมปล่อยอะไรกันทําไมมันก็มีบ้างถึงเวลามันจะตายก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาคนปล่อยเองดีไม่ดีตายก่อนปลาที่ปล่อยก็มี ขับรถกลับบ้านลดความตายหัวใจวายตายมันตายได้ทุกทุกรูปแบบเนี้ยั่นเรื่องความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไม่มีเจตนาไปทำให้เขาตายนะไม่บาสนะ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเราอวยพรให้ผู้ที่มีอาชีพค้าสัตว์ให้ร่ำรวยเราจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกแล้วก็พระก็อวยพรทุกคนนี้มาทำบุญ เ, เราไม่รู้อาชีพเขามีอะไรบ้าง เรื่องของเขาแต่เราให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองด้วยการทําความดีอายุวันโนสุขขังพลังเวลาคนมาทําบุญเราก็ขอให้มีความสุขความเจริญแต่ถ้าก็มาทําบาปเราก็ไม่ไปขอให้เขามีความสุขความเจริญเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่ดีทําบาปมันก็ต้องมีแต่ความทุกข์ความเสื่อมนะ ความล่มจมความชิบหายแต่เราไม่ไปบอกเขาหรอกเดี๋ยวเขาจะโกรธเราใช่หไหม mm hmm. นอกจากเวลาเทศได้ฟัง mm hmm. ก็เล่าให้ฟังได้แต่เวลาให้พรนต้องถามก่าคุณทําอะไรหรือเปล่า mm hmm. คุณค่าสัตว์ตัดทีวีเดี๋เออย่างเงี้ยคุณต้องล่มจมชิบหาย mm hmm. <laughs> อย่างงี้ก็ไม่ได้ mm hmm. <laughs> แต่เวลาแสดงทำบอกได้เนี่ยทําบาปก็ต้องล่มจมต้องชิบหาย ทำบุญแล้วจะเจริญจะสุขเนี่ยนี่บอกได้สอนตามความเป็นจริงแต่เรื่องให้พรนี่ให้พรคนที่เ็าทำความดีคนที่ทำความชั่วให้พรก็ไม่ได้ให้ก็ไม่ได้อยู่ดีคำถามจากคุณพานุวัตรเวลานั่งสมาธิเหมือนได้ยินเสียงดังกล้องอยู่ตลอดทำอย่างไรจะให้เสียงที่ได้ยินหายไปครับก็มันพุโทโธพุโทโธอย่าไปสนใจเสียง ให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตสงบเสียงต่างๆก็หายไปจิตก็จะว่างคำถามจากคุณหญิงเ อ, อคุณแม่ท่านอายุมากแล้วแต่ยังไม่อยากสวดมนนั่งสมาธิท่านบอกว่าจิตยังไม่ว่างเราในฐานะลูกควรทําอย่างไรอยากให้ท่านหันมาทางปฏิบัติธรรมบ้างเจ้าคะ่ะก็เรากับท่านเป็นคนละคนนไงท่านไม่อยากเราอยากใช่มั้มเราอยากเราไม่ทําให้ท่านอยากได้หรืเปล่า คิดบ้างเสียใช้ปัญญาบ้างเสียคนก็ไม่อยากแล้วเราไปอยากให้เขาอยากได้ยังไงไเวลาเราเราไม่อยากคนอื่นก็จะมาอยากให้เราอยากเราจะไปอยากต่างเขาหรือเปล่าคิดขัว อ, อกเขาหัว อ, อกเราบ้างเราจะได้สบายปล่อยวางได้บ้างไอ้นี่อยากไปหมดแล้วตัวเองไม่ทำยังไงอยากให้เขาสวดมนต์ไหว้พระเราสวดมนต์ไหว้พระหรือเปล่าใช่ไหม งั้เราทําตามความอยากของเราได้แต่จะให้คนหนึ่งก็ทําตามความอยากของเราทําไม่ได้ถ้าก็ไม่อยากจะทําจะไปให้เขาทําได้อย่างไรเมื่อเาไม่ทําก็จบเรามันมีหน้าที่เชิญมีหน้าที่ชวนก็เป็นหน้าที่ของเราพอชวนแล้วเชิญแล้วเขาไม่เอาก็จบเคําถามจะคุณจามจุรีพบเต่าขณะเดินทางเลยนําไปปล่อยไว้ในวัด มีความอึดอัดใจกลัวเป็นบาปแต่ถ้าปล่อยไว้ที่เดิมหรือเอาไปปล่อยไวข้ข้างทางเกรงว่าเขาจะไม่ปลอดภัยต้องคิดวางใจอย่างไรให้สงบครับก็ปลอดภัยแล้วเราก็เอาเขาออกจากถนนนะส่วนก็จะกลับไปถนนนีก่นนนก็เรื่องของเขาแล้วนี้เราก็ต้องมานั่งคอยเฝ้าเต่าเลยก็เอากลับไปเลี้ยงที่บ้านอย่างเงี้ยจะได้ปลอดภัย คำถามจากคุณสิรินันในทางพระพุทธศาสนาคนที่ไม่มีลูกหรือมีลูกไม่ได้นั้นถือว่ามีบุญที่ไม่ต้องมีห่วงหรือถือว่าเป็นบาปกรรมทำให้ไม่มีลูกเจ้าคะก็แล้วแต่คนจะมองคนบางคนมีลูกก็คิดว่าดีจะได้มีคนเลี้ยงคอยมีเพื่อนก็เป็นบุญอย่างหนึ่งอยู่คนเดียวเหงาพอมีลูกแล้วมันก็ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมา มีความสุขขึ้นมาก็เป็นบุญสำหรับคนที่คิดว่าเป็นภาระต้องหาเงินหาทองมาเลี้ยงมันต้องมาห่วงต้องมากังวลกับมันก็เป็นเป็นภาระเป็นทุกข์ไปมันอยู่ที่ใจของแต่ละคนอย่างเขาก็ไม่มีโรค ก, กันหมดเลยถ้าถ้ามาคิดแบบทางพพุทธศาสนาก็ไปบวดกันหมดเลยไม่ต้องมีแฟนก็เป็นทุกข์อ่ะตมีไปทาไมใช่ไหม นี่มันยังมีความสุขอยู่คนบางคนก็ยังมีความสุขจากการมีแฟนก็ยังมีความสุขจากการมีลูกอยู่ก็จะไปห้ามเขาได้อย่างไรคำถามจากผู้ฝากถามนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแต่มีเสียงรบกวนพุดโธแล้วก็เอาไม่อยู่ครับมีพิธแีแก้เสียงเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะไม่สะดวกไปที่วัดครับ อะไรมาอุดหูเ้ยการนั้นเองเวลาฟังเพลงยังอุดหูได้ใช่มเอาอะไรมาอุดเข้าไปเสียงมันก็ไม่เข้าไปในหูแล้วง่ายจะตายไปคำถามวัวปากค้องนะคำถามจะคุณสิริปรยาพุทโธแล้วไม่นิ่งมีอาการแบบคนสมาธิสั้นต้องแก้ไขอย่างไรครับก็พุทโธไปเรื่อยๆพุทโธอย่างน้อยไปกินยายังไม่ยังไม่จบนะ ตามหมอสั่งหมอบอกให้กินจนหมดก่อนอย่าเพิ่งหยุดกินไม่ใช่กินสองเม็ดแล้วจะหวังจะให้โรคหายเลยต้องกินไปเรื่อยๆตราบใดาโรคยังไม่หายก็ต้องกินไปถ้ายาหมดก็ไปขอยามาเพิ่มใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกับพุโทโธไปพุโทโธนี้ก็คือยาพุโทโธพุโทโธไปถ้ามันยังไม่หยุดก็พุโทโธไปเรื่อยเดี๋ยวมันต้องหยุดเอง คำถามจากคุณจำนงการที่เห็นคนในอดีตตายหมดสังขารทั้งหลายเป็นสมบัติของโลกถือว่าเป็นปัญญาไหมครับปฏิบัติยังไม่ผ่านครับเกิดใหม่ความรู้นี้ยังคงอยู่ไหมครับก็ต้องเห็นทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตว่าตายหมดเกิด <laughs> มาเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้น <laughs> เราก็ต้องตายยังไม่รอบมองยังมองไม่รอบครอบมองด้านเดียวมองอดีตเนี่ย ยังไม่ได้มองปัจจุบันยังไม่ได้มองอนาคตยังไม่ได้มองมาที่ตัวเราต้องดูทั้งเราทั้งเขาทั้งอดีต ท, ทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตมันจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนถึงจะเป็นปัญญาอย่างแท้จริงคำถามต่อไปจากคุณป๊อปถ้าเราต้องการฝึกอยู่คนเดียวอยู่ในที่ส่วนตัวของเราเองและพยายามอยู่ในสินแปด ศึกษาธรรมผ่านสื่อออนไลน์กับการไปปฏิบัติธรรมตามวัดหรือที่ที่เขามีจัดกันอย่างนี้อันไหนจะดีกว่ากันครับก็แล้วแต่ความต้องการของผู้ปฏิบัติบ้งคนอยู่ปฏิบัติเองไม่เป็นก็ต้องไปอาศัยไปเรียนรู้จักที่ก็มีสอนหลักสูตรก่อนพอ ร, รู้หลักสูตรแล้วรู้วิธีปฏิบัติปฏิบัติเองได้แล้วถ้าอยากจะอยู่บ้านสะดวกกว่ามีที่ปฏิบัติของตัวเองก็ปฏิบัติไป ถ้ามีที่ที่ไม่ได้อยู่ในบ้านที่ดีกว่า mm. ก็อาจจะไปที่ที่ดีกว่า mm. แล้วแต่เราเราต้องใช้ใช้การทดสอบดูคํ yeah. คำถามจากคุณปิยา น, านันกราบพระอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องการทาใจให้เป็นอุเบกขาจากเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์ได้เทศอีกครั้งข่าวว่าต้องฝึกอย่างไรก็ใช้สติไงใช้สติ mm. ผูกใจไว้กับกรรมฐานเหมือนเรือผูก ผูกเชือกไว้กับเสาของท่าเรือหรือผูกไว้กับสมอมันก็จะไม่ลอยไปตามกระแสน้ำใจก็ไหลไหลไปตามกระแสของความคิดก็ต้องเอาใจผูกไว้กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ถ้าร่างกายนั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้นี้เป็นเป็นเหมือนสมอเรือเชือกก็คือสติ เอาเชือกผูกที่ใจแล้วก็ไปผูกไว้ที่สมอเลอนั่งพุโทโธพุโทโธไปแล้วนั่งดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วก่อนที่จะมานั่งก็ควรต้องทําไว้ก่อนถ้ามาทําตอนที่นั่งมันจะไม่มีกําลังพอที่จะทําให้เกิดผลได้ดังนั้นต้องฝึกพุโทโธไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยนะแล้วพอเวลามานั่งมันจะมีสติเยอะมันจะนั่งแล้วได้ผล คำถามจากผู้ฝากถามเวลาเรานั่งสมาธิแล้วส่งบุญให้ถึงลูกสาวแต่ลูกสาวยังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่อยู่คนละที่ลูกจะได้รับไหมเจ้าคะก็ต้องบอกลูกมานั่งสมาธิกับแม่นะโทรศัพท์ไปบอกเขาออนั่นแหละเขาก็จะได้แต่ถ้าส่งไปส่งไปไม่ได้ คำถามจากคุณสุภชัยขณะที่เรานอนหลับถ้าเราไม่ได้ฝันดวงจิตของเราหลับไปด้วยกันหรือว่าดวงจิตของเราไปอยู่ที่ไหนครับดวงจิตของเราก็อยู่ที่เดิมนะครอยู่ที่ไม่มีสติแล้วไม่มีสติถ้าไม่มีสติมันก็หลับพอหลับแล้วมันก็เอามันเอาเอ า, เอาเหตุการณ์ในอดีตมาปรุงแต่งมาฝันถ้ามันมีสติมันก็เต่นมันก็ไม่หลับ มันก็นอนคิดฟุ้งซ่านคนบางคนนอนคิดฟุ้งซ่านนอนไม่หลับมีสติก็อะไรแต่ไม่มีสติหยุดความคิดฟุ้งซ่านมันก็นอนไม่หลับคำถามจากผู้ฝากถามครับถ้าทุกสัพท์เสิ่งอยู่ภายใต้กฎไตรลักษ มีข้อหนึ่งเป็นอนัตตาคือไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาได้ถ้าการทำสมาธิคือการบังคับจิตให้อยู่กับตนเองจะไม่เป็นการขัดกันหรืออย่างไรครับขอพระอาจารย์เมตตาแก้ความสงสัยครับก็บังคับได้บางเวลาไนื้างกายเราก็บังคับได้บางเวลาบังคับให้มันเดินให้มันนั่งให้มันนอนได้แต่บางเวลาก็บังคับมัไม่ได้ ในที่สุดมันจะบังคับมันไม่ได้จิตเราก็บังคับได้บางเวลาเราไม่ต้องเราไม่ได้บังคับมันตลอดเวลาเราเพียงแต่มาฝึกมันมาสอนมันให้รู้จักวิธีที่ให้มันอยู่แบบไม่ไม่ทุกข์ก็ให้มันตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปเท่านั้นเองหยุดคำถามจากคุณเย็นทำอย่างไรจะไม่เป็นทุกข์เมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักครับ ก็อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปถือว่าเป็นของเราอย่าไปคิดว่าจะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดต้องสอนใจเตือนใจอยู่ทุกเวลานาะทีเห็นเขาแล้วก็เราบอกเดี๋ยวต้องจากกันแล้วนะไม่ต้องไปบอกเขาแล้วบอกใจเราบอกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งเขาอีกเตรียมตัวเตรียมใจไว้เดี๋ยวมันจะต้องเกิดขึ้นไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตาย คำถามจากทางของเราเองทำไมถึงมีอารมณ์อยากถามครับทั้งๆที่รู้ว่าถามไปไม่ได้อะไรแบบนี้เกิดขึ้นต้องทำอย่างไรครับเพราะเท่าที่สังเกตดูฟังทำจากเทปจะไม่มีอารมณ์แบบนี้ครับแต่ถ้าฟังแบบสดๆอยากถามตลอดแบบนี้เหมือนหาคนยืนยันความเข้าใจไหมครับ ก็แล้วแต่เราเราอยากถ้าเราคิดว่ามันไม่ไม่ควรไม่จําเป็นจะต้องถามก็อย่าไปถามนัะนนี่ใช้ปัญญาความอยากมันก็เป็นเรื่องนิสัยของคนะบางทีพอเขาแจกของก็อยากได้ขึ้นมาทันทีนะพอเขาไม่แจกของพอเขาขายก็ไม่อยากได้ขึ้นมา <laughs> นล่วมันก็อยู่ที่เหตุการณ์พอมีเหตุการณ์ล้วก็ตุ้นความอยากมันก็อยากเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าควรจะทาตามความอยากหรือไม่ถ้าทำแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรก็อย่าไปทำมันนั่นเองคำถามจากคุณนาวีนั่งสมาธิบนที่นอนจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกแต่ธรรมดาเราต้องการให้นั่งบนเพลนที่แข็งๆดีกว่า พนั่งที่มันเป็นที่นอนเดี๋ยวต้องนั่งที่นอนอย่างเดียวไปนั่งที่อื่นไม่ได้ให้นั่งแบบนั่งที่ไหนก็ได้อย่าไปนั่งแล้วติดที่คนติดเบาะเวลาไปไหนก็ถือเบาะตามไปด้วยให้นั่งแบบไม่มีเบาะไม่มีอะไรเนี่ยมันนั่งได้ทุกแห่งทุกคนถ้ามีเบาะนี่ต้องเป็นต้องคอยขนเบาไปด้วย จไปนั่งสมาธิที่ไหนก็ต้องขนไปเห็นพระทุดงเขาขนเบาไปว่าไม่มีหรอกพระทุดงเขานั่งที่ไหนก็ได้หมดแล้วนะเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษ์พิ จ, จรารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถธด